นี่นะพอพระ อ, องค์ปรินิพานเนี่ยแสกขาบทเลื่อนหน่อยเดียวเสร็จแล้วสาวกก็มาช่วยกันถอนเพราะฉะนั้นสาวกของพระศาสดาเรียกว่าศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตราบเท่าที่พระศาสดายัางดำรงอยู่เพราะศาสดาของสาวกเหล่านี้ปรินิพานเสียแล้วก็เลยเลิกบัญญัเลิกปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นอย่าทํากันอย่างนี้เลยก็คือบอกว่า ใจความที่สำคัญก็บอกว่าหนึ่งพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะที่ปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าสอนสิกขาบทห ล, ลายอย่างเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ญาติโยมเครือข่าญาติโยมเขารู้นะว่าอะไรเป็นศีลแล้วมีใช่ศีลของพระภิกษุถ้าหากว่าพวกเรามาช่วยกันเพิกถอนเขาก็บอกว่าพวกนี้ปฏิบัติตามคำสอนชั่วควันไฟ เปรียบเหมือนควัญทูปและควันเทียนเมื่อพระาศาสดาผ่านไปเนี่ยนะก็จางควันไปก็เลิกพากันปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปทำอย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นสงฆ์ต้องไม่บัญสงฆ์ไม่พึงบัญญัติในข้อที่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติอัน น, น้หลักการเลยนะ ก, ก็สั่งคาสั่งออกมาเป็นประกาศของคณะสงฆ์มีพระมหากษัตเป็นประมุขว่า สงต้องไม่บัญญัติในสิกขาบทที่พระองค์ไม่บัญญัติคืออย่าบัญญัติเพิ่มไม่มีการบัญญัติเพิ่มเพราะอะไรเพราะถ้าบัญญัติเพิ่มแสดงว่าไม่ใช่สวากขาโตพระวตาธรรมโมไม่ใช่ว่าพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพ้นไม่ต้องเพิ่มและต้องไม่พึงถอนในข้อที่ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเพราะถ้าคํำบัธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้ายังมีการบัญญัติเพิ่มหรือมีการถ่ายถอนออกไปบ้าง คำที่สวดว่าสวากขาโตพระวตาทำโมก็เป็นคำที่ใช้ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสงต้องไม่มีการบัญญัติเพิ่มไม่ต้องถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติเอาไว้แล้วเพรา ะ, ะกิจมีอยู่อย่างเดียวคือสมาทานประพฤตในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์สงที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเท่านั้นอันนี้เป็นยติ เป็นคําเสนอแล้วก็ประทับตรายืนยันด้วยว่าสงจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะสงต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือห้ามเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วก็ไม่บัญญัติเพิ่มเติมในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติสมาทานปฏิบัติตามอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะสวากขาโตภควะตาธรรมโมที่ พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพราะศาสดาทรงเป็นสัพพัญยูอย่างแท้จริงพระศาสดาเป็นผู้ที่รู้ร่วงรู้อดีต ท, ทั้งมวลอย่างแท้จริงร่วงรู้อนาคตทั้งมวลอย่างแท้จริงรู้อ่รู้ครบถ้วนโดยสัพพัญยุตยานรอบรู้ไม่ติดข้องในการทั้งสามพระองค์มีเวสารัชยานสี่มียานที่กำหนดกำเนิดสมียานที่กาหนดรู้คติห้าพระองค์มีอาสาธารณยาณเจ็ อาสาธารณายาน6มียานที่กำหนดะนะแจมแจ้งในโพ่อชงทั้ง 7... ประการยานที่แจมแจ้งในอริยมรรยานที่แจมแจ้งในอนุปุทธวิหารสมาบัติ9ยานที่แจมแจ้งในทศพลยานยานที่เป็นกําลังของพระองค์ทั้ง 10... ประการยานที่พระองค์รู้อาการของธรรมจักโดยอาการ12ยานในทุดง13บเป็นต้นเนื่องจากว่าพระองค์มีพุทธยานทั้ง14 ยานทั้งมวลที่พระองค์มีอยู่นั้นสามารถที่จะบอกว่าสิ่งที่พระองค์แสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้ตื้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามสามารถที่จะพ้นจากทุกได้แน่นอนเพราะฉะนั้นกิจของสงฆ์ทั้งหลายทำอย่างเดียวเท่านั้นคือสมาทานแปลว่าถือเอาที่จะปฏิบัติตามศิกขาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้ว ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาตามที่พระองค์แนะนําโอวาสสั่งสอนทุกประการอันนี้ชื่อว่าเป็นความปฏิบัติดีของสง์อย่างแท้จริงเพราะสง์จะไม่เพิกถอนสงที่ปฏิบัติดีจะไม่เพิกถอนคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติเพิ่ม ในสิ่งที่พระองค์ไม่บัญญัติสงที่ปฏิบัติตรงสองที่ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกสองผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมสงที่ปฏิบัติสมควรแก่การกราบการไหวการบูชาสการะเป็นต้นสงเหล่านี้จะไม่บัญญัติเพิ่มในสิ่งที่พระองค์ไม่บัญญัติจะไม่ถ่ายถอนเพราะท่านเหล่านี้สมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบท ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วเพราะเป็นคําสอนที่นาออกจากทุกข์ถ้าปฏิบัติตามคําสอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์คาสอนจะรักษาผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภายในวัตตะทั้งหลายเพราะฉะนั้นพ ร, พระมาหากรส ป, ปเทระก็เลยออกเป็นคําสั่งยติทุติยกรรมวาจาเป็นกรรมวาจามียติเป็นที่สองบอกว่าไม่มีการบัญญัติเพิ่มไม่มีการ เพิกถอนปฏิบัติตามที่พระองค์บัญญัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระมหากระสปะนั้นจึงประกาศโดยกรรมะวาจาด้วยประสงค์ว่าจะไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทแม้แต่สิกขาบทเดียวถือประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ตรัสไว้อย่างไรก็ทําตามอย่างนั้นขณะเดียวกันที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปจะรู้ว่าพระมหากระสปะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องเทียมเสมอกับพระองค์ ยกให้ให้คล้ายกับพระองค์แต่ไม่ได้เป็นว่าไม่ได้หมายคขาว่าพระมหากรสปรยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าแต่ว่ายิ่งใหญ่มากเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกล่าวชื่นชมพระมหากรสปะในเรื่องอนุ ป, ปภาพวิหารสมาบัติก้าวว่าพระองค์ประสงค์จะเข้าปฐมฌานเป็นต้นเช่นใดพระมหากรสปะก็ทำได้ อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอนุปภาพวิหารสมาบัติ9หรืออภิน ญ, ญาหกเป็นต้นที่พระองค์โดยมีโดยคุณธรรมพระองค์ก็ยังยกย่องพระมหากระสปะว่าพระมหากระสปะนั้นมีมีความประสงค์ก็ทําได้เช่นกับพระองค์หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพระมหากระสปะนั้นเป็นผู้ที่พระองค์ยกย่องและพระมหากระสปะนี่แหละเป็นผู้ที่ประกาศยัติกัมมวาจายัติทุติยกรรมวาจารรว่าจะไม่มีการเพิกอถอนสิขาบท ไม่มีการบัญญัติเพิ่มสมาธานปฏิบัติตามอย่างเดียวพ่านถ้าผู้ใดไม่ศึกษาและปฏิบัติตามถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลเพราะถ้าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามผู้นั้นก็ไม่คู่ควรแก่ความพ้นทุกข์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าผู้ที่อยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้ที่ไม่ควรจะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะเขาไม่มีสิกขาเหล่าใดที่เป็นปัจจัยให้ปิดจากอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่าลืมว่าคำสอนทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโอวาทแนะนำตักเตือนคำสอนเหล่านั้นมีรถเดียวเท่านั้นคือหลุดพ้นจากชาติชาราและมรณะอย่างน้อยที่สุดก็หลุดพ้นจากชาติชารามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัะและอุปายาตในนรกเปรตอสุรกายและ เดรฉ า, านถ้าหากว่ามีบุญมีปัญญายิ่งกว่านั้นก็พ้นจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโธมนัตและอุปายาทของมนุษย์หรือของวัฏทุกโดยประการทั้งปวงเพราะนั่นคือเป้าหมายของคำสอนพระองค์สอนทั้งหมดเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมที่นำออกจากวัฏทุกเพราะฉะนั้นพระมหากรสปะนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีและท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่รับอริยทรัพย์ทั้งที่เป็นโลกยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพั้นพระมหาคสปะจึงไม่เพิกไม่ถอนไม่ถ่ายไม่ถอนไม่ตัดไม่แต่งเติมเนี่ยนะไม่ต่อเติมไม่แต่งเติมและไม่เพิกถอนสมาทานประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการเนี่ยนะซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้า พระกลุ่มที่ทําสังขยานาเนี่ยนะคือคนที่รู้ใจพระพุทธเจ้ามารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่เอาคนธรรมดานะีมามาทำสังขยานาไม่เอาคนที่รู้ใจพระพุทธเจ้ามารวมกันเอาคนที่รู้ใจเลยว่าพระองค์ต้องการอะไรคิดดูนะว่าพระมหากัจายนะท่านก็มาเข้าสู่สภาสังขยานา พระมหากัะจายนะพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมโดยย่อท่านก็เข้าใจแล้วว่าพระองค์ประสงค์อะไรพระอนน์ก็เหมือนกันพระองค์ตรัสไว้โดยย่อพระอนนท์ก็เข้าใจแล้วว่าพระองค์ประสงค์อะไรพระพระอนนท์พระมหากระจายนะพระมหาสัปปะเป็นต้นพระเรียเจ้าเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ชิดติดตามพระพุทธเจ้าเช่นกับเงาติดตามตัวท่านเหล่านั้นเข้าใจพุทธประสงค์เข้าใจอัธยาสายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วบอกว่า และอีกอย่างหนึ่งท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีท่านไม่มีการปฏิบัติเลวด้วยกายวาจาใจแม้แต่เล็กน้อยไม่มีท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงไม่มีความคดด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมท่านไม่คดเลยและท่านมีอัธยาศัยเช่นกับพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอะโลพัธยาศัยมีอัธยาศัย กำจัดความโลภท่านเหล่านั้นมีอโธสัทยาสายมีอัธยาสัยที่จะกําจัดความโกโรธท่านเหล่านั้นมีอโมหััยาสัยมีอัธยาศัยที่จะกําจัดโมหะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวิเว ก, กัทยาสัยน้อมไปเพื่อกายาวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีเนคขมัทยาสัยอกอกจากวัตฏะเนี่ยนะมีอัพพยาปาทัทยาสาัยอะโลกัทยาสัยนะ มีอัธยาศัยที่จะประพฤติอยู่ในอุปจาระอยู่ในฌานมีอัธยาศัยในวิปัสสนามีอัธยาศัยในอรยิอรยมรรคอริยผลและสำคัญที่สุดท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัยน้อมไป เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัยนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายมีอารมณนาธิปติสิ่งที่ท่านฝักใฝ่และปรารถนาะใจจดใจจาะของท่านคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นอารมณนาธิปติของพระอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นสิ่งที่ยังจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายให้ปราบลื่มยินดีที่สูงสุดก็คือพระ น, นิพพานนีนะนิพพานนางปรามังวะธรรมติพุทธา Ence, พระอรหันต์ทั้งหลายพระรยเจ้าทั้งหลายท่านถือว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่สูงสุดคําสอนเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเ ห, หลา่านั้นไม่เพิกถอนอย่างแน่นอนสิ่งใดที่จะเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานพระเรียเจ้าเหล่านั้นช่วยกันปกปักรักษาเสมอด้วยชีวิตเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ รักศีลเป็นผู้มีศีลท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีหิริโอตตะท่านเหล่านั้นเป็นศาสดาอ่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าถ้าพระองค์ใช้ให้ไปตายไปกระโดดกองไฟท่านเหล่านั้นก็ทําเป็นแน่ท่านรักพระพุทธเจ้าขนาดนั้นท่านจะเรียกว่า สาวกของพระองค์นั้นจะไม่ล่วงละเมิดสิขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตพระริยเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นมันอบอุ่นใจได้เถอะไม่ต้องหนักใจสบายใจได้เลยว่าคําสอนถ้ามีแบบมีแผนเป็นไปตามแนวทางที่พระริยเจ้าสอนคําสอนเหล่านั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแน่นอนเพราะคําสอนเหล่านั้นเนี่ยนะผู้ที่ช่วยกันปกปักรักษาเป็นผู้ที่มีหิริโอตปะ อย่างแรงกล้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าชีวิตเนี่ยนะชีวิตตายได้เขาบอกว่าร่างกายจะสลายได้แต่ใจจะไม่ห่างจากคุณของพระตนะตรยัยท่านเหล่านั้นเนี่ยยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะยึดเอาพระธรรมที่พระองค์สอนว่าเป็นสารณะยึดเอาความปฏิบัติดีของพระรยาเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อน เป็นสาระเมื่อท่านเป็นผู้ที่โอนตามพระรัตนตรายเอ็นไปตามพระรัตนตรัยเอียงลาดลุ่มไปตามแนวแห่งพระรัตนตรยัยที่จะให้ท่านเพิกถอนธรรมวิไนเพิกถอนคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านทําไม่ได้นะท่านจะไปพูดว่าคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่สวากขาโตแล้วท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเพิกถอนจึงเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในพุทธศาสนาสายเทราวาทของเราทั้งหลายถือการศึกษาและการปฏิบัติ ต, ต, ตามเป็นสาระสําคัญไม่มีการเพิกถอนไม่มีการบัญญัติเข้ามาเพิ่มศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยนะพระพ er ุทธเจ้าบอกอะไรเราพระพ er ุทธเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติเช่นไรทําอย่างไรที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วตรัสรู้ตาม พระพุทธเจ้ากิจของสาวกทั้งหลายมีอยู่เท่านั้นศึกษาและปฏิบัติตามอย่างมากก็ช่วยแนะนําให้ผู้อื่นได้ศึกษาและปฏิบัติตามเท่านั้นแหละกิจที่สําคัญที่สุดคือจะศึกษาเข้าใจอย่างไรฟังอย่างไรจึงจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการบอกอะไรเราพระองค์ต้องการสอนอะไรเราคําที่พระองค์สอนเราเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกต้องแล้วหรือถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราปฏิบัติตามได้ไหม อันนเราปฏิบัติตามได้เมื่อไหร่และอย่างไรปรับความรู้ปรับความเข้าใจเนี่ยนะให้เป็นกายสุจริตตามคําสอนให้เป็นวจีสุจริตตามคําสอนให้เป็นมโนสุจริตตามคําสอนเพราะกายสุจริตวจีสุจริตเป็นสัมมาชีวะกายสุจริตเป็นสัมมากรรมันตะวจีสุจริตเป็นสัมมาวาจามโนสุจริตทั้งหลายเป็นอ่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา สมาธิท่านประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตบางส่วนเป็นสมถะ น, นะมโนสุจริตเป็นวิปัสนาพันท่านก็ดำเนินด้วยสุจริตทางกายวาจาและใจท่านเหล่านั้นไม่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะมีรูป